เนื้อหาในรายการเกี่ยวข้องกับสิ่งที่มองไม่เห็นซึ่งเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับฟังเพื่อความบันเทิงเท่านั้นสวัสดีคุณผู้ฟังพระเจอผีทุกท่านด้วยนะคะวันนี้บี B. เองก็มีเรื่องนะคะจากทางด้านของลูกเพจในแฟนเพจพระเจอผีค่ะที่เป็นคุณผู้ฟังทางช anel u ูทด้วยซึ่งบีก็ได้อ่านดูนี่น่าสนใจเลยล่ะส่งมาทางอินบ็อก บอกว่าสวัสดีครับคุณบีเรื่องนี้นะครับเกิดขึ้นเมื่อตอนที่ผมอายุประมาณ14ปีจำพอสอไม่ได้ครับเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อตอนนั้นคุณยายที่บ้านเนี่ยเสียชีวิตแกก็ไม่มีลูกนะฮะแต่ว่าแกมีแต่หลานก่อนที่แกจะเสียชีวิตเนี่ยผมได้บอกกับแกว่าผมจะบวชเนนให้แกหลังจากที่แกเสียชีวิต แล้วก็เผาศพไปแล้วผมก็ได้บวชเนนให้แก่ตามคําสัญญาซึ่งวัดที่ผมบวชนี้นะครเป็นวัดที่อยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีค่ะเป็นวัดป่าแล้วก็เป็นสาขาของวัดหนองป่าพงด้วยซึ่งตามระเบียบของทางวัดเนี่ยก่อนจะบวชพระหรือว่าบวชเนนก็จะต้องอไปบวชเป็นผ้าขาวก่อนนะคะผ้าขาวในที่นี้หมายถึงผู้ที่เตรียมตัวจะบวชต้องโกนหัวแล้วก็นุ่งขาวห่มขาวแล้วก็ถือศีลแปซึ่งช่วงนั้นจําได้ ว่าเป็นต้นปีพอดีอากาศหนาวมากเลยตอนนั้นบวชเนี่ยมีผ้าขาวด้วยกันทั้งหมดสามรูปนะคะแล้วก็มีพระที่จำพรรษาอยู่ที่วัดนั้นก็ประมาณห้ารูปก็ไปปฏิบัติธรรมแหละคะ่ะทั้งหมดเนี่ยก็ไปถือศีลตามปกติมีอยู่วันหนึ่งค่ะ ที่มีพระในวัดนี่ชวนไปนอนเล่นที่ป่าช้าของอีกหมู่บ้านหนึ่งซึ่งเจ้าของเรื่องเองก็บอกว่าพวกเราก็ตกลงไปกันซึ่งคืนที่เราไปนั้นเนี่ยมีพระไปหนึ่งรูปแล้วก็มีผ้าขาวสามรูปค่ะพร้อมกับหมาวัดอีกตัวหนึ่งหลังจากที่ทำวัดเย็นเสร็จประมาณสองทุ่ม พวกเราทั้งสี่ก็เลยเดินทางไปที่ป่าช้าของหมู่บ้านซึ่งก็ไม่ได้ห่างไกลจากวัดมากสักเท่าไหร่ประมาณซักเกือบ2กิโลเมตรเห็นจะได้นะคะซึ่งตอนนั้นเป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้เข้าไปในป่าช้าของหมู่บ้านแห่งนี้ ผมก็จะเห็นพวกหลักเซหลักเซนี่น่าจะเป็นพวกป้ายชื่อนะคะถ้าหากว่าพูดผิดก็ขออภัยด้วยจะเป็นพวกป้ายชื่อนี่ปากอยู่แล้วก็มีพวกหม้อพวกถ้วยจานอะไรต่างๆซึ่งบรรยากาศนี้ก็ดูวังเวงพิกลค่ะทุกคนก็เลยจัดกา ร, ก, ารกลางกรดปูเสือเพื่อที่จะปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิกันละค่ะแล้วก็ทําความเพียรอยู่ได้พักหนึ่งก็ตัดสินใจว่าจะจําวัดแล้วเพราะว่าต้องตื่นประมาณตีสีเพื่อเดินทางกลับวัด หลังจากเอนตัวลงนอนได้พักหนึ่งก็ได้ยินเสียงกรนเบาๆซึ่งตอนแรกก็นึกว่าเป็นพวกเดียวกันกรนแต่ว่าพอมองไปรอบๆคนที่มาด้วยกันนั้นก็ยังไม่มีใครหลับเลยนะคะซึ่งบางคนค่ะก็ยังคงจุดเทียนนั่งอ่านหนังสือบางคนก็ยังนั่งอยู่แล้วเสียงกรนละ่ะมาจากไหนสักพักหนึ่งก็มีผ้าขาวคนนึงซึ่งอายุเท่ากันกับเจ้าของเรื่อง มาขอนอนด้วยบอกว่ากลัวแล้วก็ผ้าขาวอีกคนก็มาขอนอนด้วยเหมือนกันสรุปแล้วในกรดของเจ้าของเรื่องเนี่ยมีผ้าขาวนะคะที่เตรียมตัวจะบวชเนี่นอนด้วยกันทั้งหมด3คนค่ะพอนอนไปสักพักหนึ่งก็ได้ยินเสียงกรนเบาๆอีกทุกคนทั้ง3ก็เลยตัดสินใจไปนอนในกรดของพระ สรุปแล้วในกรดของพระเนี่ยมีทั้งหมด4คนค่ะรวมกับหมาอีกข้างนอก1ตัวบอกตรงๆนะครับตอนนั้นรู้สึกกลัวมากถึงจะไม่ได้มาเป็นตัวเป็นตัวเป็นตนแต่ว่ามาเป็นเสียงบวกกับบรรยากาศเนี่ยมันโอ้โหบอกไม่ถูกแต่พวกเราทั้ง4ี่ก็มองหน้ากันจนกระทั่งตี3ก็เลยตัดสินใจเก็บอัฐบริฐานกลับวัด แล้วก็ระหว่างเดินทางกลับวัดก็ยังคุยกันเลยว่าเสียงกรนเนี่เป็นเสียงของใครอาจจะไม่ได้น่ากลัวนะครับแต่ถ้าไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์รับรองเลยว่าไม่รู้หรอกว่าความรู้สึกเป็นอย่างไรนะคะนี่แค่อ่านนะจินตนาการไปด้วยรอบๆตัวก็จะมีแต่ป้ายหลุมศพนะคะแล้วก็ท่ามกลางเสียงสัตว์กลางคืนที่มันร้องท่ามกลางความเงียบแล้วเรานอนอยู่ได้ยินเสียงกรนเสียงกรนนี้น่าจะเป็นแบบ อะไรอย่างนี้ใช่ไหมก็หลอนพอสมควรแหละนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เป็นตัวเป็นตนยังไงก็ต้องขอบคุณสำหรับเจ้าของเรื่องนี้ด้วยนะคะที่ส่งเรื่องเข้ามาให้เราได้พูดคุยกันในชาแนลพระเจอผีค่ะและถ้าหากว่าคุณผู้ฟังมีเรื่องแบบนี้นะคะทั้งประสบการณ์ตรงหรือว่าจะเป็นประสบการณ์ที่ได้ยินได้ฟังมาก็สามารถที่จะส่งเข้ามาทางเฟซบ o ๊กแ Fanpage พระเจอผีของเราได้ถ้าหากว่าใครที่หาไม่เจอพิมไม่ถูก ดูที่รูปภาพหน้าปกของคลิปได้เลยนะคะก็จะมีให้คุณผู้ฟังได้กรอกตามแบบเป็นเครื่องหมายแอดแล้วก็พิมพ์ตามคำว่าพระเจอผีใต้โลโก้ Facebook นั่นเองค่ะทีนี้มาติดตามอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่ถูกส่งเข้ามาทางแฟนเพจบน Facebook เหมือนกันนะคะจากผู้ที่ใช้ชื่อว่าวันเฉลิมนะคะ ผมมีเรื่องจากปู่ของผมที่เข้าป่าทางอำเภอศรีสัชนาลายัยแล้วก็หลายป่ามาเล่าให้ฟังครับปู่ของผมท่านอายุ72ปีแล้วแต่ว่าท่านแข็งแรงมากแล้วก็ยังยกน้ำหนักได้อยู่ซึ่งท่านก็เป็นนักมวยเก่าเป็นพรานป่าทางอำเภอศรีสัชนาลายัยจังหวัดสุขโขทยัยเมื่ออายุ อขออภัยค่ะเมื่อ50 60ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะทางป่าสีสัตชนาลัยนี่ยังเรียกว่าเป็นป่าทึบมีช้างมีเสือแล้วก็มีสัตว์ที่หากินตอนกลางคืนมากมาย แต่ว่ามันมันก็มีเรื่องอาถรรพ์เรื่องผีป่าบังพรเรื่องเสือสมิงใช่ครับและที่ทำให้ยิงถูกกันเองตายปู่ผมเองก็เคยเจอเหมือนกันเจอเสือสมิงแล้วก็โดนยิงเข้าที่หัวแต่ว่าปู่เนี่ยท่านก็เป็นคนที่มีวิชาอาคมพอตัวแล้วค่ะบวชเรียนมาก็เลยยิงไม่เข้า ไม่น่าเชื่อแต่ว่าคนที่ยืนยันก็คือลุงเองนะคะที่เป็นคนเหนี่ยวไกลปืนเพราะคิดว่าปู่เนี่ยเป็นสัตว์ก็คือเป็นกวางก็เลยยิงปืนแก๊ปเข้าไปที่ปู่ลุงผมบอกว่าเห็นว่าปู่เนี่ยล้มลงแล้วก็วิ่งไปดูปากก็ตะโกนว่าพ่อผมยิงกวางได้ตัวนึงแต่พอไปถึงเนี่ยกลับเห็นเป็นปู่ค่ะนอนนิ่งแล้วก็มีเลือดไหลออกมาก็เลยแกะแผละนะคะของปู่ออกมาดูแต่ก็คิดว่าปู่เนี่ย ตายแล้วนะคะก็เลยร้องไห้ไปแล้วก็วิ่งไปหาเพื่อนพ่อที่ อ, อีกเขาลูกนึงซึ่ง อ, อยู่บนห้างสองสัตว์นะคะซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนกลางวันนะคะเจ้าของเรื่องบอกพ่อไปถึงลุงก็บอกกับเพื่อนของปู่ว่าผมยิงพ่อตายแล้วซึ่งพ่อนี่ก็หมายถึงปู่ของผมเองนะคะเพื่อนปู่ตกใจมากก็เลยให้ลุงเนี่ยรีบพาไปพ่อไปถึงค่ะปู่ก็ยังคงนอนอยู่ที่เดิมท่าเดิม เพื่อนปู่ก็เลยรีบไปดูแล้วก็ตรวจดูนะคะว่าปู่ตายจริงหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดเพราะว่าปู่ยังหายใจอยู่แบบปกติค่ะแค่หลับไปเพื่อนปู่ก็เลยใส่ปู่เนี่ยนะคะลงในเปหามหามปู่ลงมาจากป่าที่หมู่บ้านใกล้ๆก่อนก่อนที่จะให้คนแถวหมู่บ้านเนี่ยใส่เกวียนมาส่งที่บ้านที่อํเาเภอสวรรคโลกก็กินเวลาไปครึ่งวันแล้วล่วะคะ่ะ พ่อกลับมาถึงบ้านคุณย่านี่ก็ร้องห่มร้องไห้เลยคิดว่าปู่ตายแน่นอนเพราะย่ากำลังตั้งท้องคุณพ่อของเจ้าของเรื่องเลยนะตอนนั้นซึ่งคุณลุงอายุประมาณ 13-14 ปีเองแต่พอดูแผลก็เห็นว่าไม่เป็นอะไรก็เลยมีแค่อรอยฟกช้ำแล้วก็มีเลือดซิบออกมาเท่านั้นเอง ซึ่งคุณปู่เนี่ยนะคะก็หลับไปเต็มๆเลยถึง2วันค่ะตื่นขึ้นมาก็ร่างกายปกติซึ่งพอเจ้าของเรื่องบอกได้ฟังมาถึงตอนนี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะทําไมยิงไม่เข้าก็เลยถามปู่ไปว่าทําไมยิงไม่เข้าอ่ะปู่ปู่ก็เลยให้ดูที่รอยศักเป็นรอยศักมหาอุดแล้วก็ตะกรุดนะคะถาว่าผมเชื่อไหมบอกครับว่าไม่ค่อยเชื่อ ตอนนี้ท่าน7 1อจะเ2ดอีก3เดือนนี้เองเรื่องเสือสมิงเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังทีหลังนะครับเดี๋ยวยังขอต่อเติมนิดนึงถามปู่ผมว่ายังไปอีกไหมบอกได้เลยว่าไปจนเจอกับเสือสมิงแล้วก็พระธุดงนั่นเองนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะที่บีนำมาเล่าให้ฟังแล้วก็ขอบคุณเจ้าของเรื่องด้วยนะคะเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้ค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงกับผู้ที่ประสบเหตุการณ์นี้ เกิดขึ้นในตอนที่เขาได้ไปบวชนะคะแล้วก็ได้ไปอยู่ที่ป่าซ้าแห่งหนึ่ง เริ่มเรื่องเลยก็แล้วกันก็คือตอนนั้นเนี่ยเจ้าของเรื่องบอกว่าได้ไปบวชอยู่ที่วัดแล้วก็ปฏิบัติธรรมนะคะซึ่งเป็นวัดในสายของปฏิบัตินะคะเป็นวัดป่าแห่งหนึ่งอยู่แถวจังหวัดนนทบุรีค่ะซึ่งวัดนี้เป็นวัดปฏิบัติแล้วก็มีสาขาต่างๆมากมายตามตาม่ตางจังหวัดสาขาส่วนมากก็จะเป็นที่หลบภาวนาทดสอบจิตใจซึ่งเป็นที่ที่คนไม่ค่อยไปอยู่กัน เช่นตามป่าลึกบ้างป่าช้าบ้างแล้วก็รวมถึงที่นี่ด้วยนะคะนั่นก็คือป่าช้าที่เขาได้เข้าไปอยู่นั่นเองค่ะป่าช้านี้เป็นสถานที่ที่น่ากลัวอันดับต้นๆของบรรดาสาขาทั้งหมดพระบวชใหม่มักจะถูกพาไปทดสอบจิตที่นั่นเป็นประจำส่วนมากนะคะพระที่บวชใหม่มักจะกลัวการมาป่าช้าที่นี่เกือบทุกองค่คะหรือว่าเกือบทุกรูปนะคะเพราะคําร่ําลือจากครูบาอาจารย์ที่ประสบพบเจอมาตอนนั้น ตัวของเจ้าของเรื่องเองก็ได้มาอยู่ที่ป่าช้านี้แล้วก็เดินทางมาโดยรถไฟมาถึงป่าช้านี้ตอนตี5้าค่ะก็ยังไม่สว่างดีก้าวแรกที่เหยียบเข้าไปในป่าชา้าคือลานธรรมก็รู้สึกได้ทันทีว่ามีบางอย่างจ้องมองมาอยู่ที่ตัวของเขาตลอดเวลาซึ่งพอพระอาทิตย์ขึ้นผมก็เริ่มอยากจะสำรวจป่าช้าขึ้นมาทันทีก็เลยชวนเพื่อน 3- สี่คนไปเดินดูรอบๆป่าชา้าพอเดินไปถึงหลังป่าชา้าผมก็พบกับกระดูกสะโพกชิ้นหนึ่ง โผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินผมเนี่ยดีใจมากด้วยความที่ผมไม่ค่อยกลัวแล้วก็ค่อนข้างอยากรู้อยากเห็นมากกว่าก็เลยบอกเพื่อนว่าให้ช่วยกันขุดกระดูกขึ้นมาต่อเล่นกันแต่ก็ไม่มีใครกล้าขุด ผมกับเพื่อนอีกคนก็เลยขุดกระดูกนี้ขึ้นมาต่อได้3 4สี่ชิ้นแล้วก็เดินไปดูที่อื่นต่อสรุปนะฮะว่าเราหลงป่าช้าครับหาทางออกไม่เจอไม่รู้ว่าเป็นเพราะเหตุใดเราก็พยายามช่วยกันหาทางกลับแต่ก็หาไม่เจอผมก็เลยนึกขึ้นได้ว่าเขาบอกว่าผีบังตาอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองผมก็เลยบอกเพื่อนว่าเราไปลบหลู่เขาเขาให้แล้วละ่ะก็เลยขอขามาเขากันเถอะ พอคิดดูเป็นพระก็ต้องยกมือไหว้ขอขมาผีคือตอนนั้นเราห่วงอย่างเดียวว่าจะกลับไปฉันข้าวไม่ทันเพราะที่นี่เนี่ยคือฉันมื้อเดียวไปไม่ทันก็อดแปลกไหมยกมือไหว้ผีมันเสร็จเดิน3าก้าวเจอทางกลับเลยระหว่างทางเดินกลับนี่ก็จะมีต้นไม้อีาเล็กใหญ่สลับกันไปเราก็เดินมาถึงกลางป่าช้าเจอต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งถูกตัดลงมาทำเป็นโลงศพใหญ่ โรงหนึ่งนะคะทิ้งไว้กลางป่าช้าค่ะซึ่งทำให้บรรยากาศนะ่ากลัวขึ้นเรื่อยๆผมก็คิดมาตลอดทางเดินกลับว่าเอ๊ที่นี่ไม่ธรรมดาจริงๆแต่ก็ไม่กล้าพูดกับเพื่อนเพราะรู้ว่าพวกเขาเนี่ยก็เริ่มกลัวกันขึ้นมาเหมือนกันพอกลับมาฉันข้าวเสร็จเราก็แยกย้ายกันเข้ามาหาที่พักซึ่งก็อยู่ตามโซนต่างของป่าช้าแล้วแต่ใครชอบแบบไหน เฮี้ยนมากเฮี้ยนน้อยมีหมดค่ะจะเอาแบบเข้าถึงตัวลากขาเขกหัวหรือมาให้เห็นหรือเป็นเสียงหลอนๆหนมาผีค้างคาวผีนกผีแมวผีมีหมดแต่จะชอบแบบไหนไม่ได้โฆษณาขายผีนะแต่มันมีจริงๆใครชอบแบบไหนก็เลือกปักกลดกันตามใจชอบส่วนผมถือว่าตามดวงตามกรรมเลือกซนกลางป่าช้าซีขวา เดินเข้ามากิโลครึ่งก็เจอทําเลเหมาะที่จะปักกลดเป็นเถาวันใหญ่ซึ่งมองแล้วก็รู้ทันทีเลยว่ามีจิตวิญญาณแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรจนกว่าจนพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะคะบรรยากาศก็เปลี่ยนไปทันทีค่ะทุกคนที่มาใหม่ก็เริ่มระวังตัวและคิดว่าคืนนี้จะเจออะไรบ้างพอสวดมนต์ทวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยก็เวลาประมาณ3ามทุ่มก็นั่งคุยกันสักพักหนึ่งเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย ไม่มีใครอยากจะกลับเข้าไปพักนะคะแต่ก็ต้องแยกย้ายเพราะเดี๋ยวมันจะดึกไปมากกว่านี้เราได้รับรู้เรื่องที่ครูบาอาจารย์เล่าลือมาพอประมาณและก็คิดว่าเกินพอแล้วสำหรับบรรยากาศในตอนนั้นผมหยิบไฟฉายคู่ใจแล้วก็แยกเดินกลับกลดผมเดินเข้ามาในป่าช้าได้ประมาณ1กิโลซึ่งผมคิดตลอดทางว่าเราเนี่ยจะเจอกับอะไรบ้างผมก็พยายามไม่คิดอะไรมากก็ท่องพุทธโธตลอดทาง แต่แล้วก็มีเสียงอะไรตกลงมาจากต้นไม้ข้างหลังผมผมก็เลยส่องไฟฉายกลับไปดูแต่ไม่ทันจะหันกลับเชื่อไหมมีผู้หญิงนั่งอยู่ข้างทางตรงที่ผมยืนอยู่เธอนั่งผับเพียบพนมมือไหว้ผมกลางป่าช้าที่สาคัญเธอไม่มีหน้าผมฉายไฟไปที่หน้าของเธอเธอไม่มีหน้าจริงๆหน้าเธอเนี่ยเรียบขาวทั้งหน้า ผมรู้สึกว่าตัวเองชาไปหมดและไม่ได้หายใจไปชั่วขณะซึ่งตอนนั้นผมก็นึกอย่างเดียวว่าอย่าตกใจและอย่าวิ่งอย่ากลัวผมรวบรวมสติได้ก็เลยฉายกลับมาที่ทางเดินแล้วก็เดินภาวนาพุทธโทต่อไปพอมาถึงกรดก็รีบเข้ากรดสวดมนต์แผ่เมตตาคุมโปรงรู้สึกตัวอีกทีก็ถูกลากออกมาอยู่ข้างนอกกรดแล้วตอนนั้นตกใจมากมันมืดมากมองอะไรไม่เห็นเลยรู้อย่างเดียวว่าตัวเองอยู่กลางป่าช้า พยายามใช้มือคลําไปรอบๆเกือบเสียสติเหมือนกันแต่พอดีคลําไปเจอกรดก็เลยมุดเข้าไปนอนใน่าคลุมโปงในกรดอีกครั้งหนึงแต่นอนไม่ได้หลับทั้งคืนเลยนะคืนแรกเนี่ยมันต้อนรับกันอย่างอบอุ่นเลยพอดีตี3ามครึ่งพระอาจารย์มาเรียกไปทําวัดเช้าก็ต้องเดินออกมาอีกก็เจออีกแต่เป็นตัวใหม่มันสับเปลี่ยนกันมารับแขกดีจริงๆเป็นผีมอเตอร์ไซค์หัวขาดแต่จะเล่าให้ฟังทีหลังพอตอนเช้าบอกพระอาจารย์ว่า เมื่อคืนถูกดึงออกจากกรดพระอาจารย์จอท่านก็ยิ้มแล้วก็บอกว่าอยากไปขุดกระดูกเขาขึ้นมาจากดินทำไมละ่ะเขาก็เลยลาก เ, าเราออกมาจากกรดบ้างไงผมงงมากเพราะพระอาจารย์รู้ได้อย่างไรว่าเราไปขุดกระดูกมาเพราะไม่มีใครบอกท่านเลยท่านบอกให้ปฏิบัติมากๆภาวนาเยอะๆแผ่เมตตาไปให้เขาแล้วจะเล่าให้ฟังอีกมีอีกหลายเรื่องคุณผู้ฟังครับป่าชานี้อยู่ที่จังหวัดอุบล ตำบลบุ่งมาแรงกิ่งอำเภอสว่างวีระวงค่ะชื่อสำนักสงฆ์คือป่าช้าบุ่งมาแรงนะคะแรงจริงๆค่ะไม่เชื่อก็ไปถามชาวบ้านแถวนั้นดูหรือถามพระที่อยู่ที่นั่นก็ได้หรือถ้าใครสนใจจะลองไปปฏิบัติธรรมที่นั่นดูก็ได้ท่านจะได้ทั้งบุญและได้รับการต้อนรับจากผีที่นั่นอย่างอบอุ่นเป็นอย่างดีคอยหลอกเช้าหลอกเย็นไม่เว้นเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตตะเรก จริงๆแล้วเขามาขอส่วนบุญนะเขาอยากจะไปผุดไปเกิด น, นะคะก็อาศัยส่วนบุญของนักปฏิบัติธรรมทั้งหลายนี่แหละปฏิบัติดีก็มาดีปฏิบัติเสื่อมก็มาหลอกซึ่งตอนนี้มีพระอยู่ที่นั่น4ี่รูปนักปฏิบัติธรรมก็มีเวียนมาบ้างแต่ก็มีไม่มากไปปฏิบัติธรรมนะคะเผื่อจะได้รู้และเข้าใจธรรมชาติมากจะได้ไม่กลัวแล้วก็จะได้ไม่โง่เขลานั่นเองค่ะ เดี๋ยวขออนุญาตมาทิ้งทายด้วยเรื่องนี้กันนะคะเรื่องของเปรตมาขอส่วนบุญค่ะถ้าพูดถึงเรื่องผีหลายคนก็ต้องกลัวเป็นธรรมดาถูกต้องไหมคะเพราะว่าในจินตนาการของเราก็คิดไปต่างๆนานาว่าผีตัวนั้นผีตนนั้นเป็นแบบนั้นแบบนี้น่ากลัวจนขนลุกขนพอง แต่ว่าสำหรับบางคนนะคะก็ไม่เชื่อว่าผีมีจริงเพราะว่าถ้าผีมีจริงก็ต้องมีขี้ผีนะคะก็ว่ากันไปนั่นแต่สำหรับคนที่เคยเจอแล้วก็พูดออกมาเป็นเสียงเดียวกันอย่างแน่นอ น, นะคะ่ะว่าผีนั้นมีอยู่จริงไม่ใช่เรื่องโกหกแม้แต่ตัวของเจ้าของเรื่องเองนะคะบอกว่าผมเองก็เคยเจอมาแล้วตอนสมัยที่บวชเป็นพระ ตอนนั้นทางครอบครัวผมให้ผมไปบวชที่วัดปฏิบัติกรรมฐานสายธรรมยุทธ์หรือที่เรียกว่าวัดป่าอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีนั่นเองแล้วที่นั่นก็ไม่ได้มีความเจริญอะไรเลยมีแต่อยู่กับธรรมชาติเงียบสงบวังเวงเพราะไม่สามารถดูโทรทัศน์อ่านหนังสือพิมพ์หรือพกเครื่องมือสื่อสารไ ด, ได้เพื่อเป็นการตัดกิเลสอยากอยู่ก็อยู่อย่างยากแบบนั้นแหละคือแต่ว่าไอ้เรื่องที่โหดสาหรับ เจ้าของเรื่องเองเนี่ยคือฉันอาหารมื้อเดียวและเราเองก็ไม่เคยเลยทานข้าวสามือ้อโดยตลอดเวลาเพลิดเนี่5้ามื้อเข้าไปด้วยซ้ำทีนี้หลังจากที่ผมเข้ามาศึกษาธรรมะที่วัดแห่งนี้คืนแรกเลยครับเจอทักทายน้องใหม่ในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าพระรุ่นพี่มารับน้องนะครับแต่ว่าเป็นสิ่งลี้ลับคือตอนที่กาลังนอนอยู่เนี่ยได้ยินเสียงคนมาเรียกแล้วก็มาเคาะประตูโดยตอนนั้นผมยังไม่ค่อยรู้จักใครในวัดเลย ผมก็เปิดประตูออกมามันก็ไม่มีอะไรในใจแรกๆ ก, ก็คิดว่าใครมาแกล้งหรือเปล่าว่าแต่ก็ไม่น่าจะทำได้เพราะว่าพระสายปฏิบัติเนี่ยเขาจะเคร่งกันอยู่แล้วถ้ามัวแต่มาหยอกล้อกันก็ถือว่าผิดวินยัยหรือว่าผิดวิสัยนะคะทีนี้ตัวของเจ้าของเรื่องเองบอกผมก็กลับมานอนอีกทีหนึ่งทีนี้มาเรียกทางหน้าต่างเลยครับ แต่หน้าต่างผมมาปิดไว้แล้วที่สำคัญเนี่ยได้ยินเสียงเคาะหน้าต่างเฮ้ย <Hey, S 1> เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่ากุฏิที่ผมจำวัดอยู่นั้นเนี่ยมีหน้าต่างแต่ไม่มีระเบียงที่สามารถเหยียบได้ต้นไม้ก็อยู่ห่างกันพอสมควรเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีใครมาเคาะหน้าต่างเอาแล้วไงใจมันก็เริ่มจะเสียละแล้วในขณะที่ผมยืนอยู่ตรงหน้าต่างก็ได้ยินเสียงเคาะอีกทีหนึ่งทีนี้เนี่ยเป็นเสียงดังวีดแหล ม, หลม แหลมและดังมากจนผมแสบแก้วหูเอาแล้วไงล่ะโดนเข้าแล้วลมัง้งประจบเหมาะม้าก็ส่งเสียงหอนลมก็พัดแรงแล้วในทันใดนั้นเองหน้าต่างที่คิดว่าใส่กลอนสดิบดีดันเปิดออกมาเสียงดังปังเลยนะคะแล้วผมก็ได้เห็นต้นเหตุของเสียงและทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดนั่นคือเปรตครับข้าโลนเลยสูงยืนขนาบกับต้นตาลที่ห่างออกจากกุฏิผมประมาณ500เมตรอย่างที่คนแก่เขาร่าลือกันจริงๆรูปร่าง ที่บอกว่าตัวสูงเท่าต้นตาลปากเท่ารูเข็มมือเท่าใบตาลตัวผอมมากหลังจากนั้นผมก็หมดสติโดยไม่รู้ไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอลืมตาอีกทีนึงก็เห็นหลวงตากับพระหลายรูปมายืนล้อมกันอยู่หลวงตา ก, ก็เลยถามว่าเป็นอะไรทำไมเมื่อคืนส่งเสียงโวยวายเอะอะไปหมดผมก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้หลวงตาฟังแกก็บอกผมว่าเจอแล้วรึอ่ะเป็นเรื่องธรรมดาสาหรับพระที่มาบวชใหม่ก็เจอรับน้องเข้าแล้ว เขาไม่ได้กะจะมาหลอกมาหลอนอะไรหรอกแค่มาปรากฏตัวขอส่วนบุญให้รู้ว่าเขามีจริงเวลาปฏิบัติเนี่ยก็แผ่เมตตาไปให้เขานึกถึงเขาด้วยมันก็แค่นั้นแหละ หลังจากวันนั้นทุกวันพระหรือว่าก่อนวันพระหนึ่งวันก็คือวันโกนผมจะได้ยินเสียงดังวีดแต่ไม่มีการมาเคาะประตูเป็นอันว่าเขารับรู้ในสิ่งที่เราทำแล้วนี่แหละครับเรื่องทั้งหบดตอนบวทเป็นพระแต่ยังมีเรื่องแปลกลี้ลับอีกมากมายตอนที่ผมบวชอยู่ที่นั่นแล้วจะมาเล่าให้ฟังใหม่ในภายหลังก็โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณคุณศักดาสืบนครด้วยนะคะกับเจ้าของเรื่องเปรตมาขอส่วนบุญค่ะ หมดเวลาสำหรับพระเจอผีประจำวันนี้แล้วนะคะใครที่มีเรื่องน่ากลัวทั้งเห็นจังๆเห็นจะจระหรือว่าได้ยินได้ฟังคนอื่นเล่ามาอยากจะมาถ่ายทอดต่ออย่าลืมนะคะกดไลค์แฟนเพจบน facebook พระเจอผีแล้วก็สามารถที่จะส่งเรื่องมาทางอินบ็อก์ได้ วันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังช anel พระเจรพีของเราด้วยค่ะกดติดตามหรือว่ากด Subscribe แล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้กันวันละนิดวันละหน่อยวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ